ตอนแก่ว่าเรื่องแก่ต่อไปแกเป็นทุกข์ลำดับที่สองรองลงมาจะเกิดจะว่าเกิดเป็นทุก์ชั้นพี่แกเป็นทุก์ชั้นน้องก็ว่าได้เพราะสายเดียวกันผู้ที่แก่ก็คือผู้ที่เกิดนานนั่นเองคำว่าแกเป็นภาษาไทยแท้ถ้าเป็นภาษาบาลีว่าชรา ซึ่งหมายถึงความคล่ำคร่าสุดโสมถ้าแก่มากจนง่อมเห็นท่านใช้คำว่าปริชินะคำว่าชินะก็มูลสัพท์อันเดียวกับชารานั่นเองแปลรูปไปตามไวยากรณ์คำว่าปริชินะแปลว่าแก่รอบแล้วหมายความว่าแก่อย่างเบ็ดเสร็จแก่อย่างสมบูรณ์แบบ คือแก่รอบเนื้อรอบตัวผมขนเล็บฟันหนังตาหูปากคอขาแข้งหลังไหลแสดงความแก่ออกมาให้เห็นอย่างจงแจ้งเลยผิดกับคนชราเฉยๆซึ่งก็เป็นการแก่เหมือนกันแต่แก่ยังไม่รอบตัวผมก็สองสีแล้วแต่ท่าทางยังกระปี้กระเป๋ เนื้อหนังมังสายานไปมากแล้วแต่ในตายังเอาเรื่องหูตาก็ชักมืดมัวสลึมสลือเต็มที่แล้วแต่ปากยังสู้อะไรอย่างนี้แหละเรียกว่าแก่ไม่รอบคือแก่ยังมีเงื่อนไขหรือมีข้อแม้จะเรียกว่าแก่ขนาดกลางเก่ากลางใหม่ก็เห็นจะได้คนแก่ขนาดนี้เอาใจยาก จัดประเภทลํบาบากครั้นเขาจะจัดให้ยกม้านั่งก็อ้างว่าลุงแก่แล้วขอลุงพักผ่อนเถอะครั้นเด็กๆ เ, เขาจะไปเที่ยวดูหนังดูละครจะให้ลุงเฝ้าที่พักท่านกลับอุทธรณ์ว่าพวกแกมันเห็นฉันแก่ไปหรื อ, อยังไงน้อยนี่คือท่านเองจัดตัวเองไม่ถูกทีนี้ เกิดคนอื่นจัดให้ไม่ถูกก็มีหลายปีมาแล้วผมไปอบรมประชาชนท้องที่อำเภอแม่ริมกับกิ่งอำเภอสมิงจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจ้าคณะรูปหนึ่งมาปรับทุกเป็นเชิงสนุกกับข้าพเจ้าว่าท่านเบื่อการทำงานคณะเต็มทีจึงไปหาเจ้าคณะจังหวัดขอลาศึกท่านเจ้าคณะจังหวัดบอกว่าคุณนแก จะเข้าโงอยู่แล้วจะศึกไปทำไมกันตกลงว่าศึกไม่ได้ครั้นอยู่มาอยู่มาผ่านไปนานพอสมควรท่านไปหาเจ้าคุณอีกแต่คราวนี้ท่านขอลาจากตาแหน่งอ้างเหตุผลว่าสังขารร่างกายแก่เท่าเต็มทีแล้วทำงานไม่ไหวท่านเจ้าคณะจังหวัดกลับบอกว่านี่อะไรกันยังหนุ่มฟอยังบอกว่าแก่แล้ว อย่าออกเลยผลที่สุดก็เลยไม่ได้ออกเมื่อตอนลาศึกท่านบอกว่าแก่แล้วครั้งตอนลาออกจากหน้าที่ท่านกลับบอกว่ายังหนุ่มฟอทั้งทั้งที่การลาออกกระ ท, ทําทีหลังการลาศึกเสียอีกฟังท่านเล่าแล้วก็หัวรอ ก, กันที่เอามาเล่าอีกคืออยากจะยืนยันเรื่องแก่ไม่รอบเท่านั้น คำว่าปริชินะนั้นหมายความว่าแก่รอบจริงๆนอกจากสองคำนี้แล้วก็ยังมีอยู่คําหนึ่งคือคําว่าปริปักกะแสดงถึงความแก่เหมือนกันแต่ความหมายหนักมากเห็นจะหมายถึงแก่ขนาดเตะปี๊ดไม่ดังอย่างที่เขาว่ากันนั่นกระมังปริปักกะแปลตามตัวว่าสุรอบแล้ว คือความสุขมันมีหลายชั้นสุขแต่ยังมีดิบปนอยู่บ้างที่เรียกว่าสุขสุดิบดิบก็มีส่วนความสุกรอบหมายความว่ามันสุขไปจนถึงที่สุดของความสุขแล้วเนื้อที่มันจะสุขมันสุขหมดแล้วไม่มีที่สุขอีกแล้วเลยจากสุขไปเราเรียกว่างอมเช่นยางผลไม้ ถ้าลงถึงปริปกะก็หมายความว่างอมเต็มทีคนเราก็เหมือนกันถ้าลงถึงปริปกะก็งอมแล้วเช่นในบทบาลีว่าปริปกโกวยโยตสัะแปลตามตัวว่าวัยของเขาแก่รอบแล้วความหมายก็คงว่าสังขารร่างกายมันงอมเต็มทีแล้วนั่นเองว่าข้างภาษาไทยอีกหน่อย คำว่าแก่นี้เป็นคำกิริยาหมายถึงการเข็นไปหรือลากไปชุดให้เคลื่อนที่ไปชาวไทยเดิมทุกวันนี้ก็ยังใช้เช่นในภาคอีสานภาคเหนือเวลาเอาวัวเทียมเกวียนเขาว่าวัวแก่เกวียนคนลากไม้เขาว่าคนแก่ไม้ดังนี้เป็นต้น ส่วนคนเกิดนานเรียกว่าคนเท่าหรือผู้เท่าแต่บางทีก็ควบกันว่าผู้เท่าผู้แก่ซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปทําไมอาการที่ร่างกายชุดโทมจึงเรียกว่าแก่ก็ไม่ทราบแต่จะเอาให้ทราบให้ได้ก็เห็นจะต้องเหมาเอาว่าตัวเรานี้มันถูกการเวลาลากเอาไปเข็นเอาไปชุดเอาไปมันจะชุดเอาไปไหนของมันละ่ะ โนอนเอาไปส่งให้ควางตายพูดง่ายๆคือมันแก่เราไปตายเราเป็นเสร็จกันทีเรื่องคำว่าแก่ลองคิดต่อไปดูสิว่าคนเรานี้เริ่มแก่กันตั้งแต่เมื่อไหร่ส่วนมากเรามักจะถือกันว่าต้องเกิดนานๆอายุห0 6 0ิิ่วงแล้วถึงจะแก่ คือเอาอาการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างที่ปรากฏชัดจริงๆเป็นเครื่องวัดถืออย่างนี้ก็ถูกแต่ยังห่างความจริงไปหน่อยคือไปดูส่วนหยาบๆที่จริงเราทุกคนนี้แก่กันมาเรื่อยตั้งแต่เกิดแล้วพวดอย่างไม่เกรงใจก็ต้องว่าแก่มาตั้งแต่อยู่ในบอดตั้งแต่อยู่ในเปลทีเดียวหมายความว่า ตัวเรามันเคลื่อนไปใกล้ความตายเข้าไปทุกทีทุกลมหายใจตามที่ผมได้กล่าวมาแล้วในเรื่องลาบว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมหมุนไปสู่จุดสลายตัวของมันอยู่เสมอร่างกายของเรานี้ก็รวมอยู่ในคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นด้วยและที่ว่าหมุนไปเสมอก็คือหมุนมาเรื่อยตั้งแต่เกิดอาการที่เราเรียกว่าแก่ ก็คืออาการที่หมุนไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อว่าโดยละเอียดแล้วคนเราแก่มาเรื่อยตั้งแต่เกิดแก่อย่างไม่หยุดยัง้งผมยืนพูดอยู่อย่างนี้ตัวผมมันก็แก่ไปนั่งฟังอยู่อย่างท่านทั้ ง, ง, ง, งหลายก็กำลังแก่ไปนอนหลับอยู่มันก็แก่ตื่นอยู่มันก็แก่ เราทั้งหลายก็ขยับใกล้เข้าไปหาหลุมฝังศพของตนอยู่ทุกขณะชีวิตของเรามีจานวนจํากัดตีเสียว่าคนละ60ส0เจสปีหรือใครจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่ตัวเลขนั้นเป็นงบประมาณอายุของเราเหมือนมีสตังอยู่ในกระเป๋าจํานวนจํากัดพอเราเกิดปับ๊บเราก็เริ่มจ่ายอายุของเราเรื่อยๆหนึ่งนาที สองนาทีสามนาทีสี่นาทีไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบเป็นเดือนเป็นปีและกลายเป็นหลายๆปีเวลาที่หมดสิ้นไปนั้นคือความขยับเข้าไปใกล้ตายของเราเองที่เรานับกันว่าอายุได้เท่านั้นเท่านี้ที่จริงเรานับข้างเสียไปต่างหากไม่ใช่นับข้างได้ คือเรานับว่ามันเสียไปเท่าไหร่แล้วถ้าจะถามถึงข้างที่ยังเหลือก็จะต้องถามว่าเวลานี้คุณยังมีอายุเหลือเท่าไหร่แล้วฝ่ายถูกถามก็จะต้องตอบว่าอายุผมเหลือน้อยกว่าวันที่ผมเกิด30ปีแล้วดังนี้เป็นต้นคือเพราะส่วนที่เหลือไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าเท่าไหร่ หรือถ้าจะอวดลูกสาวว่ายังรุ่นอยู่ก็น่าจะบอกกันตรงๆว่าลูกของดิฉันพึ่งจะหมดไป16ปีเท่านั้นเองอย่างนี้ก็ได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่เราพูดกันตรงๆเราเอาความจริงมาพูดท่านผู้ฟังไม่ต้องมืออ่อนไม่ต้องถอนหายใจนี่แหละความจริงปรดยืดหน้าอกขึ้น สูดลมหายใจให้เต็มปอดแล้วตามผมไปสู้กับความจริงต่อไปตอนวัยพยาธิโรควัยได้แก่ความเสื่อมของร่างกายเป็นอาการที่มีอยู่ทุกขณะภาษาบาลีว่าวยัยเราใช้ทับศัพท์ว่าวัย คำว่าไวหรือวยะนี้แปละว่าเสื่อมบางทีแปลงรูปเป็นพยะเช่นคำที่เราใช้กันดื่นว่าโรงพยาบาลนางพยาบาลและรักษาพยาบาลดังนี้เป็นต้นโรงพยาบาลก็แปลว่าโรงรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมนางพยาบาลก็แปลว่านางรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมเป็นคำตรงทั้งนั้น แต่ว่าก็ว่าเถอะคำบาลีที่มาแปลงสัญชาติมาเป็นไทยนั้นเป็นที่รู้จักกันในพวกนักภาษาว่าคีค่าได้ดีเสียแยะคือเดิมเขาเป็นคําพื้นๆบางทีก็เป็นคําเสี้อวด้วยแต่พอมาอยู่เมืองไทยเกิดได้รับการยกย่องน้ำถือมีหน้ามีตาไปทีเดียวเช่นคําว่าวยะนี่แหละคนเราเอามาใช้เสียโก้เลย ว่ากันว่าลูกคนนั้นหลานคนนี้เจริญวัยได้เท่านั้นเท่านี้แล้วก็ถือว่าเป็นคำสูงผู้รากมากดีเขาพูดกันถ้าลูกชาว บ, บ้านธรรมดาเอาคำนี้ไปใช้ก็จะถูกขาวว่าอากเอื่อมเกินตัวเสียด้วยซ้าแต่ท่านเอ๋ยความจริงจริงๆแล้วคำว่าวัยนี้แปลว่าเสื่อมเท่านั้นเจริญแปลว่ามากคำว่าเจริญวัยก็แปลว่า จเจริญเสื่อมนั่นเองหรือถ้าจะแปลกันให้ถึงแก่นแล้วคําว่าจเจริญวัยก็คงแปลว่าเสื่อมมากตรงตัวเป๋งพยาธิก็ต่อมาจากเสื่อมอีกแหละคือตามธรรมดาร่างกายของเรามันเสื่อมของมันเรื่อยตั้งแต่เกิดเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปอย่างนี้เรียกว่าวัยะหรือพยะ นี่ว่ามาแล้วทีนี้ขนาดที่มันเสื่อมอยู่ตามปกติของมันอย่างนั้นถ้ามันเกิดกระทบอะไรเข้าเช่นกระทบความหนาวจัดร้อนจัดน้ำเป็นพิตหรืออาหารเป็นพิตมันก็จะเสื่อมอย่างวูบวาบลงผิดปกติอาการที่มันเกิดเสื่อมใหญ่ผิดปกติอย่างนี้เรียกว่าวยาทิหรือพยาที ใช้อย่างบาลีไทยว่าพยาธคำเหล่านี้ก็มูลศัพท์อันเดียวกันคือวยะหรือไวหรือพยะนั่นเองพยาธแปลเอาความว่าผู้ทำให้เสื่อมคือมาซ้ำเติมให้มันเสื่อมเร็วๆเข้าทางหมอเรียกผู้มาทำให้เสื่อมอย่างนี้ว่าตัวพยาธหมายถึงเชื่อโรคแต่คำว่าพยาธนี้ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า ได้แก่ความเจ็บความไข้เวลาร่างกายมันเสื่อมของมันเองไปเรื่อยๆอย่างที่ว่าค่อยเป็นค่อยไปเราไม่ค่อยรู้สึกบางทียังใจดีเสียด้วยว่าตัวเองได้เจริญวัยความจริงการเจริญวัยตามธรรมดาก็คือการเดินไปวัดนั่นเองแต่ตอนที่มันเสื่อมใหญ่ที่เรียกว่าพยาธินั้นไม่ใช่เดินไป จะเป็นการวิ่งไปคนมีพยาธิมากๆมีหวังไปถึงวัดเร็วเป็นพิเศษโรคแปลว่าผู้เสียดแทงก็คืออาการของพยาธินั่นแหละพยาธินั้นเมื่อมันเกิดขึ้นที่ไหนเป็นต้องให้มีอาการเสียดแทงที่เราเรียกว่าเจ็บเช่นเจ็บหูเจ็บตาเจ็บหลังและอื่นๆ อาการอันนี้เรียกว่าโรคระหรือโรคถ้ามาถึงขั้นนี้ก็ร้อนถึงหมอแล้วฝ่ายหมอก็ตั้งชื่อโรคไว้ต่างๆแล้วแต่จะมีอาการอย่างไรก็เรียกว่าโรคนั้นโรคนี้เป็นชื่อไทยๆก็มีเช่นโรคปวดหัวโรคไข้โรคหวัดและอื่นๆ เป็นชื่อฝรั่งก็มีเช่นโรคแคนเซอร์โรคนิวมอนียเหล่านี้เป็นต้นใครอยากทราบรายละเอียดไปถามหมอที่โรงพยาบาลดูผมเองก็เรียกไม่ค่อยถูกตกลงว่าวิยะพยาธิโรคะมรณะเขาเป็นพวกเดียวกันทั้งนั้นจะเปรียบให้เข้าใจง่ายๆ ตามธรรมดาน้ำแข็งที่สุดของมันก็คือความเสื่อมคือละลายไปท่านผู้ฟังลองคิดดูสิว่าน้ำแข็งมันเริ่มละลายตั้งแต่ตอนไหนตอนออกจากโรงทำน้ำแข็งหรือตอนอยู่ร้านขายส่งหรือตอนอยู่ร้านกาแฟว่าที่จริงถ้าดูกันให้ดีน้ำแข็งทุกก้อนมันเริ่มละลายของมันตั้งแต่มันเกิดเป็นก้อนน้าแข็ง พอคลอดออกมาเป็นน้ำแข็งก็เริ่มละลายผ่านประตูโรงงานออกมาก็ละลายอยู่บนรถขนก็ละลายกำลังเดินทางก็ละลายมาอยู่ร้านขายส่งก็ละลายมาอยู่ร้านกาแฟมันก็ละลายถ้าพูดอย่างรวดเร็วเสร็จไม่ให้เยินเยอะก็คือมาละลายของมันอยู่ทุกวินาทีเท่านี้ก็หมดเรื่อง แม้แต่ใส่ไว้ในกระติกน้ําแข็งมันก็ละลายเพียงแต่ว่ากระติกได้ช่วยให้มันละลายช้าลงหน่อยเท่านั้นแทนที่จะละลายหมดในหนึ่งชั่วโมงก็อาจอยู่ได้ถึง24ชั่วโมงจึงหมดอาการที่มันละลายอยู่เรื่อยนี้ถ้าเป็นอาการของคนเรียกว่าวยะหรือวัยทีนี้ตอนน้ําแข็งถูกควักออกมาจากหลังที้เรื่อย ถูกเอาลงน้ำล้างตอนนี้มันละลายมากเป็นพิเศษเทียบกับอาการของคนตรงกับพยาธิคือมีน้ำทําให้ละลายซ้ําเติมจากที่มันละลายของมันเองอยู่แล้วครั้นพอเราสั่งตีโอเลี้ยงแก้วนึ่งอตีก็เอาค้อนทุบลงที่ก้อนน้ําแข็งดังโครมโครมให้มีอันแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไป ตอนที่ถูกทุบนี้ตรงกับอาการของคนคือโรคคะความเสียดแทงทนไม่ไหวนี้เอาชะตาของน้ำแข็งมาเทียบกับชีวิตของคนมนุษย์เรานี้ลงได้เกิดมาแล้วมันต้องหาเรื่องตายจนได้ทางที่เราจะเดินไปหาตายมีอยู่ทางเดียวคือต้องผ่านแก่ไปทางอื่นไม่ได้ ทางที่ไม่ต้องผ่านแก่ไม่มีตกลงว่าเราแก่กันทุกลมหายใจท่านผู้ฟังก็กำลังแก่ผมผู้พูดก็กำลังแก่คนที่กำลังดูหนังดูละครก็กำลังแก่คนที่ไม่กลัวแก่เลยก็กำลังแก่คนที่เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะกลัวแก่ก็กำลังแก่แม้คนที่กำลังหาอุบายปกปิดความแก่ ก็กำลังแก่เพราะฉะนั้นเรื่องแก่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ปรากฏการประรากแต่อย่างใดและคนทั้งแผ่นดินก็กำลังแก่อยู่ด้วยกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคนสูงคนเตี้ยคนอ้วนคนผอมก็แก่เต็มตัวของใครของมันทุกคนตอนเหตุที่คนไม่ชอบแก่ เมื่อว่าถึงต้นสายปลายเงื่อนแล้วความแก่ก็คือลักษณะที่เราเคลื่อนจากเกิดไปหาตายนั่นเองแก่จึงเป็นเรื่องธรรมดาสามัญแท้ของคนเราเมื่อมันเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่น่าจะมีเรื่องแต่มันก็มีกันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเรื่องมันอยู่ตรงที่ว่าเราไม่ชอบแก่แล้วความทุกข์ก็เกิดตรงที่ไม่ชอบนี่เองถ้ามันชอบเสร็จแล้ว ก็ไม่มีเรื่องจะทุกข์คนไม่ชอบแก่ก็เลยเป็นวิตกกังวลไม่อยากแก่ถ้ามันแก่พอจะปกปิดได้ไม่ให้คนรู้ก็พยายามปกปิดผมข่าวก็ให้เด็กช่วยถอนทิ้งผมข่าวมากถอนไม่ไหวก็ยอมไว้หนังย่นย่อนก็ใช้ครีมทำให้ตึงไม่เช่นนั้นคนอื่นเขาจะรู้ว่าแก่ แล้วมันเสียหายอะไรควรจึงไม่ชอบแก่ตัวแก่ก็ไม่ชอบคนอื่นแก่ก็ไม่ชอบเลยเราพวกคนแก่เลยพลอยแย่ไปด้วยเมื่อคิดคิดค ด, ดูคนแก่ก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนักหนาเกิดมาทั้งทีก็มีโชคได้ใช้ผมถึงสองสีใช้ผมอย่างสีดำมามา 50- ถึงปี แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ผมอย่างสีขาวสะอาดตาหนังหุ้มตัวก็ได้ใช้ถึงสองขนาดขนาดฟิตพอตึงๆก็ได้ใช้แล้วก็ลองใช้ขนาดหย่อนๆลวมๆดูบ้างเสื้อผ้าเราทำไมจึงชอบเปลี่ยนสีแล้วต้องมีหลายๆขนาดทีผมทีหนังเราจะคิดดีใจว่าได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดบ้างไม่ได้เทียวหรือ ถ้าจะว่าข้างคนแก่พวกหนุ่มๆสาวๆก็พากันเกลียดหรือไม่เกลียดแต่ก็ไม่รักไม่นิยมขอถามหน่อยเถอะว่าท่านเห็นคนแก่เสียหายอย่างไรจึงไม่ชอบวันนี้เรามาซักฟอกกันให้คนแก่ได้รับความยุติธรรมหน่อยเถอะในเรื่องอาหารการกินผมคิดว่าเลี้ยงคนแก่ง่ายกว่าคนหนุ่มคนสาว ไม่เห็นท่านต้องทะเยอทะยานในเรื่องอาหารการกินอะไรนักหนาอาหารก็ไม่ยุ่งมีกุ้งแห้งปลาเค็มข้าวร้อนร้อนหุงเปียกๆหน่อยก็พอแล้วของหวานก็มีอะไรอ่อนๆสักชิ้นสองชิ้นก็พอมากนักท่านก็ไม่ชอบเกี่ยวกับสแสลงลมพวกหนุ่มๆสาวๆ ส, วสิแสนจะยุ่งจูจีจ้จุกจิกกินอะไรก็ไม่รู้ ทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดเอาใจยากจริงๆอย่างที่เขาว่าเป็นเพลงว่าถึงเวลากลางวันจะกินไอ้นั่นจะกินไอ้นี่นันนน่นแหละกินก็ยุ่งนอนก็ยาวครั้นว่าเข้าหน่อยก็อ้างว่าเด็กกำลังกินกำลังนอนการเที่ยวเตยก็เหมือนกันพวกหนุ่มสาวๆสิ งานไหนงานนั้นเป็นไม่ยอมปลาดหนังกี่โปรแกรมละครกี่เรื่องไม่ยอมเว้นพูดเรื่องห น, นุ่มสาวแล้วก็เวียนสีสะัะครั้นผู้ใหญ่ทักท้วงเข้าหน่อยก็อ้างว่ากำลังอยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็นท่านคนเท่าคนแก่ไม่เห็นจะต้องทะเยอทะยานเรื่องเที่ยวเตรชวนไปเที่ยวยังไม่ค่อยไปเสียเลยซ้ากว่าจะไปดูละครสักครั้งหนึ่ง คิดอยู่สามปีก็มีบางปูบางเลนไม่ต้องพูดถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวยิ่งแล้วเลยผมไม่อยากพูดมากประเดี๋ยวจะขัดใจพวกหนุ่ ม, มสา ว, สาวอะไรก็ไม่รู้ทุกสีทุกอย่างฝ่ายคนแก่ไม่เห็นท่านต้องยุ่งยากมีเสื้อผ้าไว้ชิ้นสองชิ้นเชียนหมากสักอันยาดมสักกลัดก็พอแล้วคิดดูแล้ว อะไรอะไรคนแก่ก็ง่ายกว่าสะดวกกว่าสบายกว่าเรียบร้อยกว่าแล้วทำไมจึงพา ก, กันประเมินราคาให้คนแก่น้อยเหลือเกินที่ว่ามานี้บางท่านจะคิดว่าผมกินปูนร้อนท้องกลัวแฟนจะไม่รักเลยยกเหตุผลมาหักล้างอ้างอิงเสียเป็นคุ้งเป็นแควไม่ใช่อย่างนั้นเพราะผมเองก็ดูยังไม่แก่ไม่ใช่หรือ ผมคิดว่าเหตุสําคัญจริงๆที่คนไม่ชอบแก่นั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าสวยหรือไม่สวยเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากแต่มีอยู่อีกอย่างหนึ่งที่คนแก่ไม่มีทางจะแก้ตัวให้หลุดได้คือความแก่กับความตายมันอยู่ใกล้กันคนไม่ชอบตายก็เลยพลอยเกลียดแก่เสียด้วยคนแก่ก็เป็นคนที่จวนจะหมดเวลาได้อยู่ในโลกแล้ว นี่แหละเหตุผลสาคัญส่วนเรื่องสวยไม่สวยเป็นเรื่องเบ็ะเตล็ดหรือเป็นประเด็นย่อยตกลงว่าความแก่อย่างเดียวทำให้คนทุกข์ถึงสามชั้นสี่ชั้นคือทุกข์เพราะมันแก่ไปมาลาบากแล้วยังไม่พอยังทุกข์ว่าคนอื่นเขาจะไม่รักอีกชั้นหนึ่งทุกข์ว่าคนอื่นจะรู้ว่าเราแก่อีกชั้นหนึ่ง แถมยังทุกข์ที่หาทางปกปิดความแก่ไม่ให้คนอื่นรู้อีกละ่ะเลยไปกันใหญ่และความทุกข์หนักที่สุดของคนแก่ที่แก้ไม่ตกก็คือพอแก่เข้าแล้วมันเห็นความตายใกล้เข้ามาทุกทีแต่ไม่เป็นไรเชิญท่านฟังต่อไปบางทีปาทกถาเรื่องนี้จะช่วยเปลื้องทุกข์ให้ท่านได้บ้าง